การให้ทานเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งนะซึ่งเป็นที่นินยมของชาวุนไทยเปนอย่างมากจนทั่งตอเรียกว่าทำบุญนี่ก็หลายคนก็นัดถึงการให้ทานหรือเพ่ะการถวายทานให้กับพระไตรบาฎก ว่าเลี้ยงพระเลี้ยงถวายพระต่างที่ดรีวเลี้ยงพระทำบุญเลี้ยงพระเป็นคำที่ติดปากเป็นทบุญทําทานแต่ว่าการทําบุญชนิดนี้คนไทยชอบพุดไทยเราก็ยังเข้าใจเรื่คลาดเคลื่อนหรือว่าแม้แต่เข้าใจว่าเมื่อให้ทานเนี่ย คุณจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นของราคาแพงหรือเปล่า เ, เป็นเงินจำนวนมากไหมบางคนอยากได้ดูมากก็ถึงนกับใคกู้ยืมเงินสินมาเพื่อเกียร์ได้ถวายใงินทุนเยอะเพราะว่าลาพังที่มี น, น, นั้นน้อยก็ไปกู้เงินดราเบีายแพงมาอันนี้ก็ ถ้าเนี่ยของความศรัทธาก็ก็ดีนะแต่ว่าอย่าศรัทธาที่ตัง้งอยู่บนความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องว่าบุญจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับจานวนเงินหรือว่าราคาของสิ่งของที่ดินแล้วเนี่ยจิ่งสําคัญกว่าก็คือจิตใจจิตใจของผู้ให้จิตใจของผู้ที่ถวาย แน่ใจของที่ถวายนั้นไม่ใช่เป็นของตัวเองแต่ว่าให้ด้วยความเลื่อมใสให้ด้วยความศรัทธาห้วยความศรัทธก็ได้เห็เยอะนะอยากมีเรื่องเล่าว่าเจ้าที่ชื่อปลายาสึกนะเนี่ยเด็กก็เป็นคนที่มีวิชาที่ผิแต่ต่อหลังก็หันมามีความเข้าใจที่ถูกต้อง พอใจว่าเออโรคหน้ามีเดวดามีวิบากกรรมหนึ่งผู้หน้ามือบุญบาปมีจริงก็เริ่มเกิดความเลื่อมใสแล้วก็อยากจะถวายทานแต่ว่าการถวายนั้นก็ยังไม่มีความเคารพเ่าที่ควรแล้วก็ได้มอบมายให้ มานนกเป็ชีพุรธมานกนั่นเป็นผู้ถวายระมานนกนั่นเป็นผู้ที่มีความเรื่องใสของที่จะรับมอบามาให้ถวายนั่นก็ไม่ใช่ของตัวนะแต่ว่าก็สวายด้วยความเคารพด้วยความเรื่องใสก็บอกไ่ว่าอริสของของบุญนะเนี่ยก็ส่งผลให้ได้ไ้เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึง แล้วก็ส่วนเจ้าปยาเสือนีก่ก็ก็ได้รับอ น, นุสงส์เช่นเดียวกันนะแต่ว่าอ น, นุสงฆ์น้อยกว่ารู้ได้ไงว่าน้อยกว่าเพราะรู้จาการที่ว่าได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่ํากว่านะจะถูกมหาราชิกาศชั้กนกาศถูกเป็นเจ้าของทานแม่แท้นะแต่ว่าได้รับอ น, นุสงฆ์น้อยกว่าขณะที่คนที่ถวาย ขอนั้นไม่ใช่ของตัวเลยนะแต่ให้ด้วยศรัทธาด้วยความเลือมตตาด้วยความคำนองก็ได้อิสระมากกว่าด้วยซ้นที่ยินแล้นี่แม้จะไม่ได้ถวายอะไรเลยนะแต่ว่าอมุโมทุนาหรือว่ายินดีที่ผู้อื่ได้ถวายก็ได้บุญมากาเช่นทานนางวิสาขาก็ถวาย สวายปราสาทเลยนะโลหปราสาทนี่กับคณะสง์ก็มีบาสิกาคนเป็นเพื่อนนะั้นไม่ได้ร่ำรวยเหมือนนางวิสาขาแต่ว่าก็นโมชนายินดีด้วยนโมชนายินดีนะสมเดนก็ว่าได้ถึงผู้ร่วมสวายก็ได้อริสงนะพอตายแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์มีวิมานอย่างดี เพื่อมีการสอบถามก็ได้ทราบว่าเป็นข้ออนุสงแห่งการที่ดีใจอนุโมทนาในทานของนาวิสาขาอันนี้เรียกว่าปัิตามนุโมทนาใหม่คือบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาในความดีและความดีนั้นจะเป็นการให้ทานก็ออกตามจะเป็นการรักษาสิ่งก็ออกตามรวนลแต่เป็นสิ่งที่ ควรจกากการต้อโมทนาเมื่อ้งโมทนาแล้วนะก็ได้รับบุญบุญนั้นเริ่มต้นด้ความสงบภในใจิตใจอันนี้เกิดขึ้นทันทีส่วนบุญ <c oughs> ที่จะตามมาในรูปของอิจฉาโลนะหรือว่าความสุขความเจริญ น, นั้นเนะี่ยมันตามมาทีหลัง นี้ถ้าเราเข้าใจนะเรื่องเรื่องการทำบุญเนี่ยเราก็จะได้มีความลังเลสงสัยเมือ่อเมื่อใจของเราเนี่ยน้อมไปในทางเรื่องสายในทางศรัทธาถึงว่าทันใจให้เติมกุศลจะมีคนมีความสงสัยนะว่าตัวเองจะได้บุญไหมเพราะว่า เป็นเจ้าภาพในการทอดกระถิ่นเป็นเจ้าที่เจ้าการในการทอดกรถิ่นแต่เนื่องจากคุณเป็นผู้ผหญิงตอนที่ถวายทอ า, า, ากรถินก็ให้สามีเป็นคนถวายโดยไม่ได้ถวายกับมือก็มีความสงสัยว่าจะได้บุญไหมอันนี้ก็ถ้าเข้าใจเรื่องบุญอย่างถูกต้องมือเขาเรื่องการให้ทานก็ ก็ไม่มีความสงสัยนะเพราะว่ า, าได้บุนแน่นอนเพราะว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาเป็นเจ้าคิดเจ้าการาด้วยตัวเองแม้ไม่ได้ถวายแต่ก็ได้ดุนแล้วส่วนสามีที่เป็นคนถวายนั้นอาจจะแน่ว่าผ้าที่ถวายนั้นไม่ใช่ของตัวแต่ว่าถ้าถวายด้วยใจที่มีศรัทธาเลื่องใสก็ได้ดุลเหมือนกัน จะต้องเข้าใจว่าถ้าไม่ได้ถวายกับมือแล้วจำไม่ได้บุญมันได้บุญแต่เริ่มคิดแล้วล่ะเรื่องคิดว่าจะทอดกรถิ่นเพื่ออุปถัมภ์พระสงฆ์หรือว่าเพื่อบำรุงศาสนาเป็นแค่คิดนี้ก็ได้บุญแล้วแล้วก็เมื่อลงมือทำได้ได้ไ ด, ได้ใช้ความเพียรพยายามนะแล้วก็ได้ใช้ปิยวาจาด้วยสักโซนคนให้ มาร่วมกันถวายทานนั้นเนี่ยก็ได้บุญแต่ว่าทําบุญแล้วนี่ถ้าเกิดมีความสงสัยขึ้นมาก็จะได้บุญหรือเปล่านี่มันกลับได้น้อยนะเพราะว่าความสงสยัยมันทำให้จิตเนี่ยไม่ไม่ไม่ผ่องใสไม่เบิกบานใจไม่เบิกบานเต็มร้อยนี่ก็บุญก็ได้น้อยไปด้วย ก็การสอนว่าทานของสัตพบุรุษนะหรือสัพพุชถานเนี่ยมีอสองข้อสุดท้ายอยู่ว่าเพื่อให้ก็ให้ด้วยใจที่ผ่องใสให้แล้วใจเบิกบานอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นการให้ทานของสัตพะปุรุษคนรู้จักให้ทานเนี่ยเม่จะให้ทานก็ให้ด้วยใจที่ผ่องายให้แล้วจิตใจเบิก บ, บาน แต่ถ้าจิตใจสงสยัยว่าได้บุญหรือเปล่าได้บุญน้อยไปไหมเนี่ยอันนี้จิตใจที่สงสยัยมันจะทําให้หม่นหมองได้ถ้าติดความสงสัยก็ทําให้จิตใจหม่นหมองไม่ผ่องใสที่จริงสษษษษษษษมุนธานท่าตั้งแต่ยัพูดถึงของที่ถวายด้วยนะว่าหมายถึงทางที่เกิดจากการถวายของที่สะอาดของที่ปนนี้ปนนี้นี่ไม่แต่ว่าของของแท้ แต่ว่าหมายถึงของที่ตั้งใจทําตั้งใจหามาไม่ได้ทําส่งนนะสมัยก่อนก็ต้องทําเอานะก็ทําด้วยความฝันนี่ไม่เป็นก็เป็นของแทนของสะอาดของฝันนี่ของที่เหมาะกับเวลาของที่สมควรกับผู้รับนะนะนะเช่นอะไรที่ไม่ไม่ไม่เหมาะสมกับกับพระก็ไม่ควรถวายนะเป็นพวกเครื่ประดับประดาหรื อ, อยี่อับอายมุกเวลานี้ก็ไม่สมควรเช่นบุหรี่ ของสะอาดของฟันนี่ของที่สมควรปูกกาละเวลาได้ยินเป็นการให้ด้วยให้อย่างสม่ำเสมอเมื่อให้ให้ด้วยใจที่ของใสหรือเรื่องใสให้แล้วใจบมดบาปอันนี้แหละเรียกว่าสัตวิสถาวซึ่งถ้าเข้าใจแล้วนี่ก็จะไม่กังวลสงสัยในเวลาการทาในเวลาทำบุญอาแล้วก็เรืองรับต้อน